เรื่องพระราชากระหายเลือดพระราชากระหายเลือดพระราชาแคว้นพรนตรีองค์หนึ่งบันธม ไม่ทราบจะปล่อยไว้ให้อยู่เหนือพวกตน ไม? ไม 2 พระราชารับสั่งให้นายดาบตัด จริงวันต่อมาไม่ถูกประหาร 4 พระอีกสองคนถูกประหารโดยไม่แจ้งเหตุผลแต่เจ้าชีวิตคือเจ้าชีวิตสั่งให้นายอีก 2 ว่า มีเหตุผลอะไรที่เราไม่ควรฆ่าเจ้า ชาวนาคนที่ 8 ทูลตอบทั้งขาสั่นจะเป็นลมว่า ประชาชนเริ่มเซื่องซึมและพึมพำปลงสังเวชต่างเลิกปรึกษา ในเมื่อพระองค์ทรงหลังจากประหารชีวิตชาวนามาเป็นวันที่สามยมทูตข้าน้อยตอบอย่างไร ก็ถูกต้องส่งประทานความตายแก่ข้าน้อยอยู่ดี จนกว่าจะเจอเหตุผลที่น่าพอใจว่าทําไม เมื่อไม่ได้คําตอบที่พอใจก็ดันทุรัง ในเมื่อพระองค์ยืนกาลว่าจะอยู่กับ จะขึ้นไปเธอได้ตื่นเป็นแล้ว